بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط ال13 ويحتوي على سور الصفات صاد الزمر غافر وفصلت ننعم بـ الصفات بـ الصفات เป็นบทมักกียะมี 182 โอกาสบทนี้เริ่มกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับมาลาอิกะฮ์ผู้ส่งคุณธรรมผู้ยืนเข้าแถวในเวลาละหมาดและบรรดาปีกของพวกเขาอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับคําบัญชาของพระองค์เป็นผู้ควบคุมให้เมฆทั้งหลายพัดพาไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์และได้กล่าวถึงพวกญิน ซึ่งพวกมันจะถูกขับไล่สายส่งและถูกขว้างด้วยเปลวเพลิงอันโชติช่วงเป็นการตอบโต้คํากล่าวอ้างของพวกยาฮิลียะห์ในการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่าพวกดินนั้นมีความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์บทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและการปฏิเสธของพวกมุชริกีนที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดจนการไม่ยอมเชื่อว่า จะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นกระดูกและเป็นผุยผงไปแล้วและเพื่อเป็นการยืนยันถึงย้ําถึงการศรัทธาต่อการฟื้นชืดชีพวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของมุมินและกาฟิรคือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาและบทสนทนาระหว่างบุคคลทั้งสองในโลกนี้ซึ่งจะมีผลออกมาจากการเชื่อมั่นของแต่ละคน นั่นก็คือการเข้าอยู่ในสวรรค์สวรรค์ของผู้ศรัทธาอย่างถาวรและการลงสู่นรกอย่างถาวรของผู้ปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้ข้อสังเกตถึงเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีบางท่านเริ่มด้วยนบีนูห์อิบรอฮีมอิสมาอิลและเรื่องของมูซาและฮารูนเรื่องของอิลิยาสและลูทและได้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องการศรัทธาและการทดสอบ ในเหตุการณ์ของอิสมาอิลผู้เสียสละให้ถูกเชือดพลอันเนื่องมาจากการฝันของผู้เป็นบิดาคือนบีอิบรอฮีมขณะที่ถูกใช้ให้เชือดบุตรชายตลอดจนการที่สัตว์เชือดได้ถูกนํามาเป็นการไถ่แทนทั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงเรื่องการยอมจำนนและการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้พิพากษาอย่างเพี้ยงธรรมที่สุด บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทอัสซัฟฟาตเป็นการเตือนให้ระลึกถึงบรรดาบ่าวของพระองค์ในชั้นฟ้าคือบรรดามาลาอิกะฮ์ผู้บริสุทธิ์ซึ่งพวกเขาจะทําการภักดีต่ออัลเลาะห์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะพวกเขาจะแส้ 2 สะดุดีพระองค์ในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะและชี้แจงถึงตําแหน่งหน้าที่ของพวกเขาที่ถูกใช้ให้กระทํา بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามขอหลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัสซาฟฟาต صفا ขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ผู้เข้าแถวตามลําดับและมะลาอิกะห์ผู้ควบคุมอย่างรัดกุมตัจาลิยาติ ذكرا ละมะลาอิกะห์ผู้อ่านข้อตักเตือนอินนาอิลาฮะกุมละวาฮิดะแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงเอกะอย่างแน่นอนร็อบบุสสมาวาติวัลอัรฎุวะมาบัยนะฮูมาวะร็อบบุลมาชาริกะพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและพระผู้อภิบาลแห่งทิศทางตะวันออก inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinati al-kawaakib wa hifzham min kulli shaytaanin maareed لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ พวกมันจะไม่สามารถรับฟังจากมลาอิกะห์ผู้อยู่ในชั้นฟ้าชั้นสูงได้และพวกมันจะถูกขว้างจากทุกๆด้าน ذُحْرًا إلا من خطط الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وين تأตัวใดที่มันฉกฉวยเอาไปได้แม้แต่ครั้งเดียวก็จะมีเปลวเพลิงอาโชทช่วงไล่ติดตามมันไป تستحقهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إننا خلقناهم من طين لازب เจ้าจงถามพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพสิว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระนั้นหรือหรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมาแท้จริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียวดัลลาจิบะวะยัสฟะรุนแต่เจ้าคงแปลกใจขณะที่พวกเขากล่าวเยอะแย และเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกพวกเขาก็จะไม่ยอมรับข้อตักเตือนวะอิซาร่อออายะตัยยัสตัสขิรูนวะกาลูอินนาฮาซาอิลลาซิห์รุมมุบีนและเมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งปาฏิหาริย์พวกเขาก็ชักชวนกันเยอะแยเลยและพวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากົນอันชัดแจ้งแล اذا متنا و كنا ترابا وعظاما الا اننا لبعثون بروตาย <med> ไปแล้วแล้วเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูกเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกคืน อوا اباؤنا الاولون <med> แล้วบรรพบุรุษของพวกเรารุ่นก่อนๆนั้นด้วยหรือ قل نعم وانتم داخرون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใช่แล้วและพวกเจ้ายังจะเป็นผู้อับอายขายหน้าอีกด้วย فا انما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون ความจริงมันเป็นเพียงเสียงแผดก้องเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเขาจะจ้องมอง وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ละพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้ความหายนะแก่เรานี่คือวันแห่งการตอบแทนฮาซายอมุลฟัศลิลลซีกุนตุบีตุกัซซิบุนมลาอิกะฮ์จะกล่าวตอบว่านี่คือวันแห่งการตัดสินชี้ احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรมและบรรดาสหายของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาละมิดุลลอฮิเฟฮดูฮุมอิลาศิรอฏิลญะฮีมอื่นจากอัลเลาะห์ด้วยแล้วจงแนะนำทางให้พวกเขาไปสู่ทาง แห่งนรกวาคฟูฮุมอินนะฮุมมัสอูลูนและจงยับยั้งพวกเขาไว้เพราะพวกเขาจะถูกสอบสวนมาละกุมลาตะลาซรูนบัลฮุมุลยามามุสตะสลิมูนมีเสียงถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทําไมจึงไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าพวกเขาในวันนั้นเป็นผู้ยอมจํานวนโดยซึ่งเชิญ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ لَبَنْكُونَ ในหมู่พวกเขาจะหันหน้ามาหากันโดยไต่ถามซึ่งกันและกัน قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلَى الْيَمِينِ พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเคยมาหาเราทางด้านขวา قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ พวกเขากล่าวว่าเปล่าดอกพวกเจ้าทางหากที่ไม่ยอมศรัทธาและเราไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ดื้อรั้นทางหากและหักเรามีคำกล่าวของพระเจ้าแท้จริงเราไม่ ฉะนั้นพระดํารัสของพระผู้อภิบาลของเราจึงคู่ควรแก่เราแล้วแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ได้ลิ้มรสอย่างแน่นอนเราได้แนะนําให้พวกเจ้าหลงผิดทั้งๆที่พวกเราก็หลงผิดอยู่แล้ว اِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ تَجِن พวกเขาในวันนั้นย่อมมีส่วนร่วมในการรับโทษถ้าจริงนั่นแหละเราได้ปฏิบัติต่อบรรดาผู้มีความผิด إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اسْتَكْبَرُوا เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์พวกเขาก็หยิ่งยโสและพวกเขาจะกล่าวว่าจะให้เราทอดทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกเราเพื่อนักกวีบ้าคนหนึ่งกระนั้นหรือบัลจา بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَيَنَمْ سัจธรรมَا وَلِأَثْبِتَ بَنَدَ ٱلسَّاسَنَة ٱلتَّحَقُّ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَجِينْ فُوكْ เจ๊าจะได้ลิ้มรสการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างแน่ ละพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทําเอาไว้อิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคหลิซีนอูลาอิกะละฮุมริซกุมมะอฺลูมเว้นแต่พวงบ่าวของอัลเลาะห์ผู้ซื่อสัตย์ชนเหล่านั้นสําหรับพวกเขาจะรับปัจจัยอย่างชีพอย่างแน่นอน فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ فُلْمَائِلَكَ شَنِتْ دُوي พวกเขาได้รับเกียรติในสวนสวรรค์อันหลากหลายรื่นรมย์อยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ คนรับใช้จะวนเวียนรอบตัวพวกเขาพร้อมด้วยแก้วเครื่องดื่มที่มาจากลำธารเครื่องดื่มนั้นขาวบริสุทธิ์อร่อยแก่บรรดาผู้ดื่มลาฟีฮาวาลูนวะลาฮุมอันนายันซะฟูนในนั้นจะไม่ทําให้มึนศีรษะและพวกเขาจะไม่มีการมึนเมาวะอิดะฮุมกอศิราตุตตัรฟีน และณที่พวกเขานั้นมีบรรดาหญิงบริสุทธิ์ผู้ละสายตาลงต่ำมีดวงตาโตสวยงามกัณนะฮุนไบฎุมมักนูนเสมือนพวกนางเป็นไขมุกถูกคุ้มปิดเอาไว้อักบะลบะอฺดุฮุมอะลาบะอฺดียะตะซาอูลุนแล้วชาวสวรรค์เหล่านั้นบางคนในหมู่บ้าน พวกเขาจะมาหากันไต่ถามทุกสุซึ่งกันและกันกอละกอลุมมินฮุมอินนิกะลิกรีนคนหนึ่งในหมู่บ้านพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงฉันมีเพื่อนคนหนึ่งยะกูลูอะอินนะกะลิลมุศ็อดดิกินะอะอิซามิตนาวะกุนนาตะราบันวะอิดามันอะอินนาละมะดีนู เขาเคยกล่าวว่าแท้จริงเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่นวันปรโลกจริงหรือเมื่อเราตายไปแล้วแล้วเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูกเราจะถูกตอบแทนจริงหรือกอลฮัลอันตุมมุตลีอุนเขาชาวสวรรค์กล่าวแก่เพื่อนๆของเขาว่าพวกเจ้าอยากมองดูไหมตะลาฟะรอฮูฟิซาวาอิลญะฮีม ครั้งเมื่อเขามองลงไปก็เห็นเพื่อนของเขาอยู่ท่ามกลางฝ่ายที่ลุกโชติช่วงเขาจึงกล่าวคุณว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ท่านเกือบจะทําให้ฉันพินาศและหากไม่ใช่ความโปรดปรานจากพระผู้บานของฉันแล้ว ฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอน afama nahnu bameetin ดังนั้นเราจะไม่ตาย illa mawtatana alula wama nahnu bmu'addabeen เว้นแต่การตายของเราครั้งแรกและเราจะไม่ถูกลงโทษกระทั่งนั้นหรือ inna hadha lahu alfawzul adheem แท้จริง นี่คือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนลิมิตลิฮาซาฟันยามลอามิลูนเพื่อยิ่งการตอบแทนนี้บรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนจงต่อสู้ต่อไปเถอะอะดาลิกาค็อยรุนนุซลันอัมชะจเราะตุซซะกูมอินนาจอัลนาฟิตนะลิดดาลิมนั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าหรือว่า ต้นสักกูถ้าจริงเราได้จัดมันคือต้นสักกูไว้เป็นการทดสอบกับบรรดาผู้อาทำแล้วอินนะฮะชะจเราะตะคหรุจฟีอัศลิลจะฮีมตัลอะฮากะอันนะฮุรอูซุชชะยาฏีนถ้าจริงมันเป็นต้นไม้ที่ออกมาจากก้นบึ้งของนรก ผลของมันคล้ายกับหัวของไชตนละอินนะฮุมลาอะกิลูนมินฮาฟะมาลิอูนมินฮัลบุตุลแล้วพวกเขาจะกินมันแล้วพวกเขาจะเติมให้มันเต็มท้องซุมมาอินนะละฮุมอะลัยฮาละชอบัมมินฮะมีมแล้วนอกจากนั้นพวกเขาก็จะได้ดื่มน้ําที่ผสมจากน้ําเลือดซุมมาอิน نرجعهم الى الجحيم لو تا จริงทางกลับของพวกเขานั้นย่อมไปสู่นรกอย่างแน่นอน انهم الفؤاباءهم ضالين แท้จริงพวกเขาพบบรรพบุรุษของพวกเขาอยู่ในการหลงผิด سهم على اثرهم يهرعون แล้วพวกเขาก็ยังรีบเร่งเจริญรอยตามอยู่วะละกัดดัลละกับละฮุมอักทัรอัลอวาลีนวะละกัดอัรซัลนาฟีฮิมมุนดิรีนละโดแน่นอนส่วนมากของชนรุ่นก่อนหน้าพวกเขาได้หลงผิดละโดแน่นอนเราได้ส่งผู้ตักเตือนไปในหมู่พวกเขาฟันดุรไคฟะกานอากีบะฮุมมุนดิรีน ดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของพวกเขาที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไรอิลาอิบาดัลลอฮิลมุคหลิซีนเว้นแต่พวกบ่าวที่ซื่อสัตย์ของอัลเลาะห์เท่านั้นวะละกอดนาดานานูห์ฟะละนอมุญีบุนวะนัจญัยนาฮูวะอฮละฮูมินัลกอรบิลอะซีมวะญะอัลนาดุรริยตะฮุมุลบากีนละโดแน่นอนนู ได้ร้องขอเราดังนั้นผู้ตอบสนองช่างประเสริฐเสียนี่กระไรและเราได้ช่วยเขาและกลุ่มชนของเขาให้พ้นจากทุกภัยอันมหันต์และเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู่และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่กลุ่มชนรุ่นหลังๆความสันติจงมีแด่นูห์ ในหมู่ประชาชาติทั้งหลายอินนะกะซาลิกลัจซิลมุห์ซินีนถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายอินนะฮูมินอิบาดินัลมุอ์มินีนละซุมมาอัฆรอกนัลอาคอรินถ้าจริงเขามัวเป็นคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธาแล้วเราได้ให้พวกอื่นจมน้ําตาย وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لَتَأْجِينُهُ الَّذِي يَتَّبِعُ سَبِيلَهُ هُوَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ พวกเจ้าเคารพภักดีอะไรกันเออ इफ กัลอาลฮะตุนลัลลอฮิตูริดเพื่อความเพ็ดกระนั้นดื้อที่พวกเจ้าปรารถนาพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์ตะนาซนุกุนบิร็อบบิลอาลามีนะฟะนัซระนัซเราะฟินนูจูมฟะกาลอินนีซะกิม แล้วนั้นความนึกคิดของพวกเจ้าที่มีต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจะเป็นอย่างไรเขาอิบรอฮีมจึงจ้องมองไปอย่างดวงดาวทั้งหลายแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงฉันไม่สบายจริงๆแล้วจะวัลลออันฮุมมุดบิรินฟะราฆอิลาอาลีฮาติฮิมฟะกาลอะลาทาคุลูน<ฟ> ดังนั้นพวกเขาจึงหันหลังให้เขาและกลับออกไปแล้วอิบรอฮีมก็มุ่งหน้าไปยังเจว็ดต่างๆของพวกเขาแล้วพูดว่าพวกเจ้าไม่กินอาหารเหล่านี้บ้างหรือมาละกุมลาตันติกูนฟะราดอะลัยฮิมดัรบันบิลยามีนทําไมพวกเจ้าจึงไม่พูดล่ะแล้วเขาก็หันไปตีพวกมันด้วยมือขวา ซึ่งถือขวานอยู่ فاقبلوا اليه يذفون แล้วพวกเขาก็วิ่งมาหาเขา قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون อิบรอฮีมจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าแกะสลักมันกระนั้นหรือทั้งๆที่อัลเลาะห์ทรงสร้างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าประดิษฐ์มันขึ้นมา قالوا بلول له بنيانا فالقوه في الجحيم พวกเขากล่าวว่าจงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งเตาเผาสําหรับเขาแล้วโยนเขาเข้าไปในไฟที่ลุกโชน danan พวกเขาต้องการวางแผนร้ายแก่เขาและเราได้ทําให้พวกเขานั้นตกต่ํา وقال اني ذاهب الى ربي سيهزين لا ابراهيم قلوا وا ฉันจะไปหาพระผู้เป็นของฉันแน่นอนพระองค์จะส่งชี้ทางนําให้แก่ฉัน رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم โอ้พระผู้เป็นของฉันขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่ดีๆให้แก่ฉันด้วย dannan rao jing jaeng khao di cha khao wa cha dai luk khon ning thi mi khwam ot thon khanti khu ismail padamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adbahuka fanzur maadha tara قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين كان เมื่อเค้าอิสมาเอลเติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับเค้าได้แล้วอิบรอฮีมได้กล่าวขึ้นว่าโอลูกเอ๋ยแท้จริงพ่อได้เห็นในฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าจงคิดดูซิว่าเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรวะ อิสมาอีลกล่าวว่าโอ่พ่อจ๋าพ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถอะหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์พ่อแจ้งว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้อดทนฟะลัมมาอสลมะวะตัลละฮูลิลจะบีนวะละดัยนาฮูอัยยะอิบรอฮีมครั้นเมื่อทั้งสองพ่อลูกได้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ อิบรอฮีมได้ให้อิสมาอีลความหน้าลงกับพื้นแล้วเราได้เรียกเขาว่าโอ้อิบรอฮีมกอดซัดดักัตอัรรุอียะอินนะกะดาลิกะลาจซิลมุห์ซินีนแนนอนเจ้าได้ความฝันเป็นจริงแล้วแท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย إن هذا لهو البلاء المبين تاจริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอน وتركناه <عَظِيم> عليه في الاخرين سلام على ابراهيم แล้วเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่อิบรอฮีมกะซาลิกะลัจซิลมุห์ซินีนอินนะฮูมินอิบาดินัลมุอ์มินีนเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงเขาอิบรอฮีม ເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກພວງບ່າວຂອງເຮົາຜູ້ສັດທາເຮົາໄດ້ແຈ້ງຂ່າວດີກັບເຂົາວ່າຈະໄດ້ລູກຄົນໜຶ່ງອິດສະຫາກເປັນນະບີຄົນໜຶ່ງໃນໝູ່ຄົນດີທັງຫຼາຍ เราได้ความจำเริญแก่เขาและแก่อิสฮากและในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นมีผู้ทำความดีและผู้อธรรมต่อตัวเขาเองอย่างชัดแจ้งเราได้แน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่มูซาและฮารูนและเราได้ช่วยเขาทั้งสอง และกลุ่มชนของเขาทั้งสองให้พ้นจากความเคราะกรรมอันใหญ่หลวงเราได้ช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะและเราได้ช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะและเราได้ประทานคัมภีร์อันชัดเจนแก่เขาทั้งสองและเราได้แนะนํา เขาทั้งสองสู่แนวทางที่เที่ยงตรงวะจะรักนาอะลัยฮิมาฟิลอาคิรินสะลามอะลามูซาวะฮารูนอินนากะซาลิกลาจซิลมุห์ซินีนเราได้ปล่อยเกียรติที่คุณทิ้งไว้แก่เขาทั้งสองในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่มูซาและฮารูนถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย ان هما من عبادنا المؤمنين وان ايليا سلام من المبشرين ها จริงเขาต้อง 2 เป็นปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธาและแท้จริงอีลียานั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาศาสนทูต اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين เมื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงอัลเลาะห์หรอกพวกเจ้าเคารพสักการะบะลันโดยพวกเจ้าทอดทิ้งผู้ทรงเลิศจริงแห่งบรรดาผู้สร้างทั้งนั้นหนึ่งอัลลอฮุร็อบบุกุมวะร็อบบอาบากุมุลเอาวัลีนอัลเลาะห์คือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนกาล فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تَفُكَمَا يُؤْمِنُ بِالنَّبِيِّ مِنْهُمْ لِذَلِكَ سَيُؤْخَذُونَ بِعَذَابٍ حَتْمٍ غَيْرَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الْمُطَهَّرَةِ وَجَعَلَكَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ แล้วเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่วงวานของยาซีนอินนะกะซาลิกลาจิลมุห์ซินีนอินนะฮูมินอิบาดินัลมุอ์มินีนถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายถ้าจริงเขาเป็นคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَا جِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّنَّا الْآخَرِينَ لاذَ جِينَ رُوث นั้นเป็นคนหนึ่งจากบรรดาศาสนทูตเมื่อเราได้ช่วยเขาและพวกพวกของเขาทั้งหมดให้รอดพ้นนอกจากหญิงแก่คนหนึ่งที่เหลืออยู่ในหมู่ผู้ร้างทาย แล้วเราได้ทำลายล้านคนอื่นๆทั้งหมดว่าอินนัคุมละตัมฎูนอะลัยฮิมนุสบิฮีนวะบิลไลลิอะฟะลาตะอ์กิดูนและแท้จริงพวกเจ้าจะต้องเดินผ่านสถานที่ของพวกเขาในยามเช้าและยามค่ำคืนดังนั้นพวกเจ้าจะไม่พิจารณาดูบ้างรึ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَتَأْتِي جُنُوسَنَ بِكُنْ 1 จาผู้ที่ถูกส่งมาเป็นร่อศูนย์จงรำลึกขณะที่เขาได้หนีไปยังเรือที่บรรทุกผู้คนเต็มเปี่ยม ฉะนั้นยูนุสได้เข้าร่วมจับฉลามแล้วเค้าก็อยู่ในหมู่ผู้แพ้ในการจับฉลามฟะลาอ์ลานนะฮูกานะมินัลมุสบิฮีนแล้วปลาตัวใหญ่ได้กลืนเค้าแล้วเค้าสมควรที่จะถูกตำหนิหากว่าเค้าไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ่ซ้องซาดุรีแล้วฟะลาอ์ลาน كان من المسبحين لا لبث بيبطنه الى يوم يبعثون حقا هو مايเดเปนคนนึงในหมู่ผู้แซ่สองซาดูดีแล้ว แน่นอนเขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทั่งวันถูกให้ฟื้นคืนชีพ